ทำใจให้สุขเราจะสามารถมีความสุขได้ในทุกเหตุการณ์จะยากดีมีจนจะสุขได้จะล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองใจก็ยังจะสุขได้ไม่มีเพื่อนไม่มีใครทุกคนทอดทิ้งเราหมด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 ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันจะทุกกับความกับเรื่องราวต่างๆทั้งๆที่ไม่ต้องทุกแต่เราก็ทุกกับมันเราจะมับจะทุกกับการสูญเสียสิ่งที่เราได้มาทุกกับ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 วิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขใจของเรานี่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติไม่ต้องมีข้าวของเงินทองต่างๆใจนี้เป็นใจที่สมบูรณ์คือมีความสุขในตัวของตัวเองอยู่แล้ว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 ต้องมีลาบยศสรรเสริญต้องมีร่างกายเป็นความคิดไปในทางทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา <Okay. S 1> เพราะต้องไปมีร่างกายถ้าอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรส <Okay. S 1> อยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <Okay. S 1> ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้า ม, มีไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้อันนี้เป็นความคิดที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะต้องไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นเครื่องมือในการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องไปหา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 และไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญ น, นี่คือวิธีคิดที่จะทำให้เรามีความสุขเมื่อคิดแล้วเราก็ต้องทำตามความคิดอะไรทำให้ใจเรามีความสุขก็คือความสงบทำใจให้สงบแล้วใจก็จะมีความ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 ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะหยุดความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้เรามีความสุขมากกว่าการมีอะไรเพราะการมีอะไรทําให้เราต้องมีอยู่เรื่อยๆ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 ควาทุกกันโดยที่ไม่รู้สึกตัวคิดว่าเป็นการหาความสุขกันการหาความสุขที่แท้จริงของใจก็คือการไม่หาอะไรนั่นเองการอยู่เฉยๆอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาลูกเสียงเกดลดื่อนรให้มานั่งเฉยๆกันอยู่เฉยๆกันถ้าทำใจให้เฉยทำใจให้สงบได้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 แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากหาสิ่งอย่างอื่นต่อไปหรือหาสิ่งเดิมอีกเพราะสิ่งเดิมที่ได้มามันให้ความสุขไปหมดแล้วเช่นได้ดื่มเครื่องดื่มแล้วความสุขที่ได้จากการดื่มเครื่องดื่มก็หมดไปเดี๋ยวก็อยากจะได้ความสุขจากการดื่มเครื่องดื่มอีกก็ต้องไปดื่มใหม่อีกแล้วถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์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 ตาท่านไม่รับประโยชน์อะไรจากการทำงานนี้เลยนอกจากได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายนี้ไปท่านนั้นเองคือญาติโยงก็จะสนับสนุนพระพุทธเจ้าในเรื่องปัจจัยสี่บิณบาตอาหารบิณฑบาตจีวร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 ไม่เดือดรอนเวลาไม่ได้เสพก็ไม่ได้ไม่ทุกข์มีความสุขมากกว่าคนเสพทนายคนที่ไม่เสพลาบยศจารเสริญไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสคนที่ไม่ต้องมีร่างกายนีสบายกว่าคนที่ยังต้องมีร่างกายต้องใช้ร่างกายหาลาบยศจารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ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 หาแล้วก็มีความสุขได้เดียเด๋ยวๆได้ขณะที่หามาแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกไม่พอแล้วอยากจะได้เพิ่ม อ, อยากจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถ้ามันหมดไปหรือลดลงไปก็ทุกข์ขึ้นมาอ่นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยเลิกหาเกายเป็นพระราชนกุมารก็ลาออกสละราชสมบัติไปอยู่แบบขอทานขอมื้อกินมือนม้อไปขอไปวันละมื้อกินวันละมื้อไปพออยู่แบบขอทานกับมีความสุขความสบาย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 เสือมหมดไปได้พอเกิดมันเสื่อม ข, ขึ้นมาก็เดือดร้อนวุ่นวายนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการเราไปอาศัยสิ่งต่างๆที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ท้าวรนมันไม่คงเส้นคงวามีเสื่อมมี มีเจริญมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ความสงบนี้ไม่เปลี่ยนความสงบใจนี้จะอยู่คู่กับใจไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบการทำใจให้สงบก็คือหยุดความคิดหยุดความอยากนี่เอน การทีใ่ใจจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีเบรกของใจความคิดนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปวิ่งมาจะให้รถยนต์หยุดก็ต้องมีเบรกเช่นพอมาถึงสี่แยกไฟแดงเห็นไฟแดงก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็จะวิ่งต่อไปมันก็จะไปชนกับรถที่วิ่งมาอกอกทางหนึ่ง ใจก็เหมือนกันพอเกิดความอยากถ้าไม่เบรคมันมันก็ต้องไปทําตามความอยากพอถ้าไม่ทําตามความอยากมันก็จะทุกข์แล้วพอได้ทําตามความอยากแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นใหม่มันจะมีความอยากโผล่มาเรื่อยๆไม่มีวันหมด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 ไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้ไปคิดถึงเงินทองไม่ได้ไปคิดถึงงานการไม่ได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้ฟังธรรมฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะฟังรู้เรื่องก็ต้องจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมเมื่อจดจ่ออยู่ ก, า, การฟังธรรมมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ดงนั้นถ้าเรายังไม่สามารถให้มันอยู่กับพุทธโธได้การฟังธรรมก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะ ดึงใจให้ออกจากความคิดต่างๆให้มาเกาะติดอยู่กับการฟังธรรมไปการฟังธรรมได้ประโยชน์2 อ, อย่างได้ดึงความคิดดนึงใจออกความคิดไปในทางที่ไม่ดีความคิดไปในทางความอยากก็จะถูกดึงออกมาใจจะดึงออกมาจากความคิดที่จะไปทางความอยากถ้าตอนนี้ไม่ได้ฟังธรรมเดี๋ยวอาจจะคิดว่าอยากจะกินขนมแล้วอยากจะดูอะไรแล้ว อยากจะฟังอะไรขึ้นมาก็จะต้องไปทำพ่อเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ทํามันเครียดมันหงุดหงิดมันลาคาญต้องได้ทําตามความอยากความหงุดหงิดความลาคาญใจมันถึงจะหายไปแต่มันหายไปชั่วขณะที่ไม่มีความอยากเดี๋ยวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความหงุดหงิดลาคาญใจก็กลับขึ้นมาใหม่ เราต้องหาวิธีดึงใจไม่ให้ไปคิดในทางความอยากให้ได้ถ้าอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนนั่งเฉยๆอย่าไปทําอะไรฟังเทศฟังธรรมนั่งเฉยๆจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะจะได้จดจ่ออยู่การฟังธรรมถ้าไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็ไปมันก็ไม่ได้อยู่การฟังธรรม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 ไม่ต้องพูดเข้าโรออกดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวหรือถ้ายังทำไม่ได้อยากจะพูดเข้าโรออกก็ได้ก็มีสามวิธีดูลมอย่างเดียวพุโทโธอย่างเดียวหรือผสมกันพูดเข้าโรออกวิธีไหนก็ได้ขอให้มันหยุดความคิดต่างๆ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 เรารู้ก็จะรู้เฉยๆการรู oo, ้เฉยๆนี่เป็นสุขถ้ารู้แล้วอยากนี่เป็นทุกข์ฉะนั้นต้องให้รู้เฉยๆอย่าไปรู้แล้วอยากถ้ารู้แล้วอยากแล้วมันจะทุกข์พออยากได้อะไรแล้วมันจะทุกข์ฉะนั้นต้องหยุดความคิดพอหยุดความคิดก็จะหยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากใจก็จะสงบ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 แล้วเวลาไม่ได้มันก็จะเสียใจแลืวเวลาได้มาแล้วเสียไปก็จะเสียใจนั่นเป็นการไปหาความทุกข์ต้องไม่มีอะไรต้องไม่ไปหาอะไรไม่ต้องมีอะไรให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งที่พระเจ้าบอกนิพพานังปรมังสุญญงคําว่าสุญญ์ก็คือไม่มีอะไร การไม่มีอะไรนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนิบานังปรมังสุขขังสุขขังเพราะว่านิบานังปรมังสูญอย่างเพราะนิพานไม่มีอะไรมีแต่ความว่างมีแต่ความศูน์ไม่มีราภยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีร่างกายการไม่มีสิ่งเหล่านี้และเป็นการมีความสุขอย่างยิ่งถ้ามีแล้วมันจะทุกข์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 จะไม่มีความทุกข์มาจะมีแต่ความสุขนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรตวแล้วก็นำมาสั่งสอนให้แก่พวกเราสรงสอนอยู่ถึง45ปีด้วยกันหลังจากวันที่ได้ตัดสรตวแล้วอายุ29 35บวชอายุ29ศึกษาปฏิบัติ6ปีบรรดุ ในอายุ35จากนั้นก็สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายเช่นสั่งสอนค า, าวาะญาติโยมในตอนบ่ายสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มนเณรภิกษุนีในยามคำ่ำสั่งสอนเทวดาในยามดึกแล้วตอนเช้าก่อนจะออกบินตบาย mm hmm. ก็เลงยามดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษ สั่งสอน45ปีนี่คือกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธกิจมีหข้อข้อที่5ก็คือบินทบาทโปรดสัตว์การบินทบาทก็ทําให้ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทําบุญได้ทําบุญถ้าไม่มีพระมาบินทบาทก็ไม่ได้ทําบุญกันเรา ม, มีพระมาบินทบาต ก, ก็ได้ทําบุญได้เสียสละ ได้แบ่งปันข้าวของต่างๆที่มีพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ให้ไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะการทำบุญนี่สำคัญเพราะถ้ายัางต้องไปเกิดต่อไปมันจะได้เกิดดีทำบุญแล้วมันจะได้ไปเกิดสวรรค์ไปสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะรวยกว่าเก่า ถ้าไม่ได้ทำบุญก็จะเท่าเก่าตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้กรรมก่อนไปเกิดในอบายก่อนฉะนั้นการไปโปรดสัตว์นี้การบินบาบของพระนี่ทำประโยชน์สองส่วนประโยชน์ของตนเองคือได้อาหารมารับประทานแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำบุญเพราะถ้าจะรอให้มาวันนีมันมาไม่ได้มันไม่สะดวกเพราะว่าต้องไปทำมาหากินกันตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องเตรียมตัวออกไปทำมาหากินกันก็จะไม่มีเวลามาทำบุญกันแต่ถ้ามีพาไปโปรดถึงบ้านเนี่ยเขาใ้เขโปรดเนี่ยไปเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรกัน เราจะได้มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเวลาตายไปจะได้ไปไปเป็นเศรษฐีกันเศรษฐีบุญมีทรัพย์ภายในไปก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์อย่างสบายเหมือนเวลาเราไปท่องเที่ยวถ้ามีเงินก็อยู่โรงแรมหรูหรูหลาหลาถ้าไม่มีเงินก็อาจจะไปขอวัดอยู่กันพวกทัววัดทั้งหลายพวกนี้เงินน้อย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 รับไปเพราะขณะที่เขามีชีวิตยอยู่เขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญะจะไม่มีพระมาบินทบาทก็เลยไม่ได้ทําบุญก็เลยไม่มีโอกาสได้ทําบุญดังนั้การบินทบาทของพระนี่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภา ร, รกิจสําคัญของนักบวชไม่ให้ขาดเลยท่านสอนตั้งแต่วันแรกเลยวันที่บวชเสร็จปั้มท่านก็ บ, บอกว่าบินทบาตไปจนวันตายนะ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 เวลาไม่มีทรัพย์ใครเป็นเพื่อนเราก็ถือว่านั่นแหละเพื่อนแท้เวลามีทรัพย์นี่เพื่อนไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเพื่อนแท้เพื่อนเพื่อนปลอมนี่คือ ส, สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นสิ่งต่างกับพวกเราเพราเราเห็นว่าต้องมีอะไรเยอะๆถึงจะมีความสุขกัน ต้องมีลามยศสรรเสริญต้องมีรูปเสียงกลิ่นรดกันเยอะๆต้องมีร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวนานอยู่ไปแบบไม่ตายแต่มันเป็นไปได้ที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงมีเกิดก็ต้องมีดับเวลามันลงเวลามันดับนั่นเป็นเวลาที่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันพอเราไปคิดว่ามันเป็นความสุข เราหากันแทบเป็นแทบตายแล้วใ น, นที่สุดมันก็มาทำให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากมันไปพระพตตธเจ้าถึงบอกว่าอย่ามีอะไรให้อยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีใจนี้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ร่างกายมันจะอดอยากขัดจนข้างมันตายเพราะความอดอยากก็ให้มันตายไปไม่เป็นไรใจยังสุขอยู่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 มันเป็นการสร้างความทุกข์เพราะเวลามีมันก็ดีแต่เวลามันไม่มีมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังั้นอย่าไปมีมันดีกว่าแล้วมามีความสงบถ้ามีความสงบแล้วมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันต้องต้องมาหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วมันไม่ต้องมีอะไรไม่อยากมีอะไรไม่ต้องมีอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุข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 มีอาหารกินมาทำมือ้อมีที่อยู่หลบแดดหลบฝนได้มีสามสิบาทรักษาทุกโรค ก, mm. ก็พอแล้วมีอันนี้ไม่ต้องไปอะไรกับมันจะรักษาสามแสนมันก็ตายเหมือนกันถึงเวลาสามสิบบาทก็ตายสามแสนก็ตายถ้าถึงเวลายังไม่ตายสามแสนสามแสนก็หายสามสิบาทก็หายเหมือนกันนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการ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 ไังไงยังดูแลแม่อยู่อ่ะใช่จังเลยเป็นตาเข้าเลยก็มาเยอมาจากเขานี่เป็นนี้เขาก็ต้องใช้นี้แล้วดูเลยแม่นี่เหมือนม่บาตรอาจารยตอนเช้าเหมือนทำบุญกับทำบุญกับข้าละทำไม่กันทุกวันเลยทำบุญกับพ่อกับแม่กับบุญทำบุญกับข้าวละไม่ได้มาใส่บาตร มีใครอยากจะถามอะไรหมอ น, นุญาตถามไม่ดูค่ะอ่า อ, อ, อาจารย์คะอานิสงส์จากการที่ถ้าคนนึงใส่บาตรทาบ่อยๆขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะมาทําสัธฆทานเป็นช่วงๆแต่อาจจะจัดมาเป็นชุดใหญ่ๆอะไรมาแตกต่างกันมากไหมครับความจริงก็ไม่แตกต่างมันอยู่ที่ปั๊มปริมาณของเงินทองที่เราเสียสละไป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 แต่เวลานานๆทำทีนี้มันต้องมีโอกาสต้องมีเหตุผลจริงๆถึงจะทำไม่งั้นมันก็จะถูกกิเลสคอยหลอกคอยเล่าว่าอย่าเพิ่งไปทำเลยอย่างงุ่นอย่างนี้ความเสียดายความโลภนี่มันยังจ ะ, ะมีมากอยู่แต่ถ้าเราทำทุกวันนี้เราก็คอยกําหลาบความโลภความความตณีให้มันน้อยลงไปยิ่นทำถ้าทำได้ทุกวันก็ดี สมมติว่าถ้าเราไม่มีพระใส่บาทเราอยากจะทําทุกวันแล้วก็แบ่งเงินที่เราจะทําบุญนี้ใส่กับปลูกไว้ก็ได้<ม>อนนี่เป็นเงินทําบุญเราอย่าไปแตะมันแล้วพอมีโอกาสไปวัดหรือไม่ีโอกาสจะทําบุญทั้งทีก็เอาเงินก้อนนี้มาทําก<ม>็ได้แม่เนี่นยบางทีเวลาถึงโอกาสจะทํ<ม>าเงินหมดก็มีบางทีเงินไม่พอใช้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ซื้อของ<ม>ซื้ออะไรไป พอถึงเวลา<ม>อยากจะทำบุญขึ้นมาก็ไม่มีเงินมไม่มีก็น้อยมไม่ได้ทําเท่าที่ควรจะทําง<ม>ั้นก็ลองลองทําทุกวันดูหยอดกระปุกไปวันละสิบบาทยี่สิบบาทอะไรทําไปเดือนนึงมันก็หลายร้อยละขอการค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่บาทตอนเช้านะคะเราจะต้องคิดไหมคะว่าพระที่เมันสะละปาลางังเป็นพระที่เป็นเล น, นาบนุญคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้มัน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 ควาจริงซุนักเรายัางทําได้ไม่ใช่หรือที่เขามาบวชเขาก็เขาอาจจะไม่เป็นเนื้อนาบุญแต่เขาก็อาจจะยังเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่ก็ทําไปคนที่มาบวชมันก็มีหลายแบบหลายรูปคือถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีเราไม่ทํากับเขาก็ได้เราเลือกไปทํากับพระที่ดีก็ได้เช่นอย่างที่บอกถ้าคิดว่าพระที่มาเอาเงินไปกินเหล้าเมา อ, อย่าเนี่ยเราก็อย่าไป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 คือไม่ผิดกฎระเบียบรักษาศีลของพระให้ได้ส่วนจะปฏิบัติได้ปฏิบัติน้อยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งการสถานอีกทอดสำหรับผู้ใหม่เช่นยังปฏิบัติสมาธินั้สมาธิได้ไม่ดีเราควรจะเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยนัสมาธิจะทำให้การนั่งดีขึ้นหรือเปล่าคือการเดินจงกรมก็เป็นการสร้างสติขึ้นมา การนั่งสมาธิให้จิตสงบต้องมีสติเรากวนที่จะสร้างสติให้มากๆก่อนถ้าเรานั่งแล้วมันไม่สงบก็ลุกขึ้นมาเดินเดินหดือไม่ว่าเราจะทําภารกิจอะไรก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการเดินจงกรมไปก็ได้เวลาเราทําภารกิจเราก็ยังสามารถพูดโทรได้แล้วก็พูดโทรไปก็เป็นเหมือนกับการเดินจงกรมการเดินจงกรมนี่มีมีเป้าหมายอยู่สองอันคือ1ผ่อนคลาย อิเลยียบทของร่างกายร่างกายถ้านั่งนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการเจริญสติเดินแล้วก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเจริญสติสาหรับการปฏิบัติการเปลี่ยนอิยาบุของร่างกายนี้มันเป็นเป้าหมายรองเ ป, เปลี่ยนได้ก็ดีเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร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 ที่พิจารณานี้เพื่อให้ยอมรับความจริงว่าต้องตายต้องเจ็บต้องแก่พอมันยอมรับแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมันจะยอมรับได้ก็ต้องคอยตอกย้ำ ม, มันอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่พิจารณาปั๊บมันจะลืมแล้วมันจะอยากอยู่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาทันที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 ถ้ายังกลัวอยู่ยังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายก็ต้องย้ำ ม, มันไปด้วยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจนการมันจะยอมว่าเออต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้ตอนนั้นมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมีใครอยากจะทามองกไหมไม่มีก็จะให้ทางบ้านแล้วนะยูทูบมีไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีอ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 ใจก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจมันก็ติดมามันเพียงแต่เหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านร่างกายก็ยังอันเดิมอยู่หน้าตาก็ยังเดิมอยู่ใจก็เหมือนกันใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่มีหน้าตาเหมือนเดิมก็คือมีนิสัยใจคอเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่มาเปลี่ยนร่างกายท่านเองนั้นเขาถึงเรียกว่ามันเป็นบุญเป็นกรรมไง บุญก็คือนิสัยดีถ้าเราชอบทำบุญชอบใส่บาตรชอบรักษาศีลชอบฟังเทศฟังธรรมชอบเข้าวัดนี่เขาเรียกว่ามีบุญติดตัวมาถ้าชอบกินเหล้าเมายาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่มันก็เป็นบาปติดตัวมาคาถามจากคุณวิไลหนูชอบทำบุญใส่บาตร ท, ทากรถินผ้าป่าสร้างห้องน้ำวัดแต่ไม่ได้ทาคนเดียวนะคะ เพื่อนเพื่อนชวนมาร่วมกันเป็นคนหลงบุญไหมคะไม่หรอกก็ต้องทําบุญเนะทุกคนต้องทําบุญไปจนกว่าจะไม่มีเงินที่จะทําบุญถึงจะเรียกว่าไม่หลงถ้าไม่มีเงินแล้วไปหาเงินมาทําบุญนะี้ถึงจะเรียกว่าหลงบุญบุญนี้เราทํากับเงินที่เรามีอยู่ที่เรามีเกินความจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้หรือเอาเงินที่จะไปเที่ยวเงินที่ไปใช้ตามความอยากนี่มาทําบุญเพื่อจะได้สกัดความอยาก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 ล้ามันทำให้เราฝืนความอยากเที่ยวอยากใช้เงินตามความอยากได้ฉั้นถ้าเรามีเงินเราก็ควรจะเอาเงินมาทำในทางที่จะเป็นประโยชน์กับใจก็คือทำบุญอย่าไปทำตามความอยากพรามันจะเป็นโทษกับใจทำตามความอยากแล้วมันอยากจะทำเพิ so it, ่มข <Great. S 1> so ึ้นอยากจะได้มากขึ so so turn, ้นอยากจะซื้อมากขึ้นอยากจะใช้มากขึ้นมันก็จะทำให้เราต้องไปวิ่งหาเงินมาทาตามความอยากกัน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 การทำบุญนี้เพื่อให้เราสุขให้เราอยู่เฉยเฉยให้ได้เท่านั้นเองไม่มีเงินก็ไม่ต้องทําทําบุญอย่างอื่นต่อเพราะยังมีบุญขั้นที่สองขั้นที่สามที่เรายังต้องทําต่อไปพอเราทําบุญได้แล้วเราก็จะมารักษาศีลกันได้ถ้าทําบุญไม่ได้รักษาศินจะยากคนที่ไม่ชอบทําบุญนี่จะไม่ชอบรักษาศีนเพราะอยากจะได้อะไรมากๆง่ายๆก็มักจะไปทําบาป ก, กันแต่คนที่ทําบุญนี่จะไม่อยากจะไปทําบาป เพราะไม่อยากจะไปเบียดเบียนไม่สร้างไม่อยากจะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น<ม>ก็จะรักษาศีลได้ยั้นถ้าเราหมดเงินหมดทองแล้วไม่มีเงินไปทําบุญแล้วก็มารักษาศีลรักษาศีลห้าก่อนพอรักษาศีลห้าได้ก็ขยับไปรักษาศีลแปดถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะขึ้นไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นภาวนาได้ถ้าถือศีลแปดได้ก็จะมีเวลาว่าง ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมได้แต่ยังถือศีลแปไม่ได้มันยังไปดูหนังฟังเพลงยังไปเที่ยวไปเล่นได้อยู่มันก็จะไม่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิางั้นถ้าอยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทําใจสงบก็นั่งถือศีลแปดงั้นพอเ ร, เราเข้าสู่ขัน้นการภาวนาถือศีลแปแล้วเรื่องทําบุญเราก็ไม่ต้องทําก็ได้ หรืถ้ายัางมียารมก็ทําแบบไม่มารบกวนเวลาโอนเงินเข้าบัญชีไปหรือฝากเงินไปทําบุญกับไทยครก็ไปแต่เราอย่าไปเองเพราะเราเอาเวลามามาปฏิบัติธรรมดีกว่ามาภาวนาดีกว่าถ้าเราสู้เข้าสู่ขั้นการภาวนาเข้าสู่ขั้นการปฏิบัติแล้ว เ, เราควรที่จะเปลี่ยนวิธีการทําบุญอย่าอย่าให้เสียเวลาทําบุญแบบไม่เสียเวลา โอนเงินไปเขียนเช็คไปถ้ายังมีถ้าอยากจะทําก็ทําไปไม่ต้องไปไกลหรือทํากับที่เราอยู่ก็ได้ถ้าอยู่วัดก็ทําบนกับที่วัดไปไม่ต้องถ่อไปอีกวันหนึ่งไปทําอีกที่หนึ่งอันนั้นมันเป็นการการการหลีกเลี่ยงศีลแปดการออกไปหาลูกสินกินลดที่ศินแปดนี่พยายามที่จะกั้นเอาไว้เพื่อให้เราได้มีเวลามาทําใจให้สงบกัน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 งานบุญนี้ก็ต้องเป็นงานรองไปหรือแขวนไว้ก่อนก็ได้ไว้รอให้งานปฏิบัติเราเสร็จก่อนแล้วก็ไปทําบุญที่ไหงก็ได้อย่างช่วงที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญท่านก็ไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนท่านก็รักษาศีลกับภาวนาไปแต่พอท่านบรรลุแล้วเสร็จงานนี้แล้วท่านก็มาทําบุญใหม่มาเอาธรรมะมาแจกจ่ายต่อไปอีกทีน่ทําบุญแบบ น, นี้ชนะการทําบุญทั้งปวง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 และมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรครับก็พูดมาตังช่วงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องส ต, ติสมาธิปัญญานั่นแหละลองไปฟังดูเลยนะคำถามจากคุณสารัตการเจริญสติเพียงอย่างเดียวเห็นความคิดรู้ทันความคิดนี่เป็นบุญตรงไหนครับยังไม่เป็นบุญนะต้องหยุดความคิดได้ถึงจะเป็นบุญถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้มันก็ยังไม่มีความสงบเมื่อยังไม่มีความสงบก็ยังไม่มีความสุข ความสุขใจก็เรียกว่า บ, บุญความสุขใจนี้ก็มี3ระดับสุขใจความสุขใจที่เกิดจากการให้การเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็จะได้ความสงบใจในระดับหนึ่งมีความสุขใจในระดับหนึ่งการไม่ทำบาปก็จะทำให้ใจเราสงบอีกระดับหนึ่งการนั่งสมาธิการหยุดความคิดใจก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไป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 ถ้าไม่ไปก็บอกก็ว่าไม่ไปไม่ต้องไปเนต้องไปเราอยากจะไปมันก็เลยหาทางปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่อยากไปเลืออย่างมันใครเอาช่างมาลากมันก็ไม่ไปคำถามจากคุณบีการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาของแพทย์หรือเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แบบนี้ได้บุญตามส่งไปให้พบภูมิดีขึ้นไหมคะถ้าจะให้ต้องให้ตอนที่ยังไม่ตาย ให้ตอนตายแล้วไม่ได้บุญถ้าอยากจะบริจาค ก, ก็เอาไปตอนนี้เลยเนี่ยยกให้ตอนอามันถึงจะให้จริง <c oughs> ๆไงใช่ไหมไปให้ตอนที่ here, มันไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลามันตายมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันเป็นของสรรเปอร์ไปแล้วตอนต้องให้ตอนที่ยังเป็นของเราอยู่เหมือนเงินทองตอนนี้ถ้าอยากจะให้ให้ตอนนี้สิไปให้ตอนที่ตายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วอยากจะให้ต้องให้ตอนนี้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 ถ้าเราอยากจะได้บุญอีกชั้นหนึ่งก็เราก็ต้องอุทิศบุญที่เราได้มานี้แบ่งให้กับผู้ที่ก็รอรับอยู่แล้วก็เหมือนทาบุญสองต่อไงทบุญได้บุญมาก็เอาบุญนี้มาให้กับคนอีกคนหนึ่งคนที่รอนับก็คือคนที่ไม่สามารถทําบุญเองได้ก็คือคนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วนี่ไม่สามารถทําบุญได้ถ้าไม่มีบุญก็ต้องมารอรับบุญของคนที่ทาบุญพอเราแบ่งบุญนี้ให้เขาเราก็ได้บุญอีก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 พท่านเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาท่านโกรธแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้มักจะระบายโดยวิธีทำลายสิ่งของของตนเองทุกๆครั้ง <c oughs> ผมขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำกุศโลบายในการบอกพระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ <c oughs> เนื่องจากท่านถูกใจความโกรธของท่านเราเป็นลูกศรริษย์เราจะไปสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็คงจะ มันคงจะไม่ใช่นอกจากท่านมาขอเป็นลูกศิษย์เราถ้าท่าน ม, มาขอเป็นลูกศิษย์เราก็อย่าไปสั่งสอนท่านแล้วก่อนที่จะไปสั่งสอนท่านก็สั่งสอนเราให้ได้ก่อนเราระ ง, งับความโกรธของเราได้หรื อ, อยังถ้าเรายังระ ง, งับความโกรธเราไม่ได้ก็อย่าไปสอนให้คนอื่นเขาระงับความโกรธเลยเดีย๋ยวจะกลายเป็นแม่ปูสอนลูกปูสอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมา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 ก็เลไปหาสำนักที่มีแต่พระอารหันต์ไปกราบพระเทระโหน้าท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถสอนได้เพราะท่านเป็นพระเทระท่านมีภรรษามากถกว่าผมผมเป็นผู้น้อยกว่าท่านต้องไปหาพระรูปอื่นกันในวัดก็ไม่มีพระรูปไหนที่มีมีภาษาเท่าท่านหรือมากกว่าท่านก็ทุกข์ขอก็ปฏิเสธไป ออกไปถึสั ม, มเาณีสั ม, มเาณีก็เป็นพระอารหันต์เหมือนกันท่านก็อยากให้สั ม, มเาณีสอนตอนต้นสัมมาณีก็ไม่กล้าสอนเหมือนกันบอกว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่นี่พระเทระที่เป็นเจ้าสํานักท่านก็บอกวาส ม, มเาณีเธอไม่สมเคอท่านท่านหน่อยเหร อ, อสัมมาณีก็เลยยอมรับเอาพระเทระที่มีพรรษาหลายสิบพรรษานี้ไปสอนไปเป็นลูกศิษย์แต่ก่อนจะรู้ว่าเป็นลูกศิษย์หรือไม่ก็ต้องเอาไปใช้งานก่อน ไม่ใช่ปากกว่าว่าเป็นลูกศิษย์แต่พอใช้งานไม่ทำตามนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้ว<ส>ก็เลยเอาไปใช้ร้านกระโถนล้างบาศเอาไปกวาดถูกุติสั่งให้ลุยลงไปในน้ำให้ไปเอาข้าวเอาของในน้ำพอลงไปครึ่งทางตัวเปียกก็เปลี่ยนใจไม่เอาละไม่ต้องเอาละก็ดูว่าจะเชืเอ่อฟังหรือไม่พอสามมาเนนทดสอบดูแล้วว่า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 คนที่เข้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเรานอกจากเขาขอลดตัวของเขาลงมาเป็นลูกศิษย์เราเพราะะฉนั้นน่ยเราถึงจะสัง่งจถึงจะสอนเขาได้คําถามจากคุณปัทมาภรณ์ถ้านั่งสมาธิไปและฟังธรรมไปจะได้สมาธิไหมคะหรือควรทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าอ๋อถ้านั่งสมาตั้งฟังธรรมก็อย่างนั่งสมาธิก็ อ, อย่าไปพุโทโธอย่าไปดูลมหายใจ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 อัน น, นั้นเอาไปทำบุญได้เช่นเขาอาจจะให้เงินส่วนยังไว้สำหรับใช้จา่ายค่ากับข้าวกับปลาค่าน้าค่าไฟในอส่วนหนึ่งอันนี้ให้เธอเอาไปใช้นะเธอเอาไปใช้อะไรก็ได้ตลส่วนนั้นก็เอาไปทำบุญได้แต่เขาจะไม่ได้บุญเพราะมันเป็นของเราเราจะเป็นคนได้บุญเขาจะได้บุญต่อเมื่อเขาสั่งว่าเอาเงินนี่ไปทำบุญให้หน่อยนะเอาไปใส่บาตรทุกวันนะเงินส่วนนี้เอาไปใส่บาตรทุกวัน ถ้าเขาบอกอย่างนี้เขาก็จะได้บุญเขาต้องมีเจตนามีความตั้งใจแล้วต้องเป็นเงินของเขาเขาถึงจะได้บุญเราก็เหมือนกันมันเราก็ต้องมีเจตนาแล้วก็ต้องเ ป, เป็นเงินของเราถ้าเราไปเอาเงินของที่เขาให้ไปใช้ในทางอื่นมาทําบุญก็เป็นการยักยอกทรัพก็เป็นการเหมือนไ่ไปทําบาปไปทําอธินาดานาเวรมณี ไปรับทรัพย์ของเขามาทำบุญเนั่ยทำยี้ไม่ได้ไม่คุ้มเพราะว่าบาปมันมีโทษแรงกว่า บ, บุญมีน้ำหนักมีโทษหนักกว่า บ, บุญที่เราจะได้รับเนี่นอย่าไปทำบาเพื่อจะเอามาทำบุญบางคนเห็นเขา ม, มีเงินมีทองทำบุญก็เยอะตัวเองก็อยากจะทำบุญเยอะๆก็เลยไปช่อลาดบางหลวงอย่างนี้ก็อย่าไปทำไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสีย คำถามจากคุณนัทัญญากวดน้ำแบกปากเปล่ากับกวดน้ำจริงๆลงพื้นดินคนที่เราอุทิศให้บุญจะได้เท่ากันไหมคะออปากปล่า ก, ก็ไม่ได้บุญน้ำก็ไม่ได้บุญต้องออกมาจากใจต้องอุทิศด้วยใจต้องระลึกภายในใจว่าข้าพเจ้าเขา อ, อุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบิดามารดาปูา่ย่าตายายผู้ที่ดวงรับไปแล้ว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 มันก็บา ป, เปมเอาไปคโมยข้าวหมามากินกันยังบาปเลยคำถามจากคุณกะนกพรขอถามพระอาจารย์ว่าลูกคิดว่าจะรอคุณอาอายุ89ปีตายก่อนแล้วเงินของท่านทั้งหมดเราจะเอาไปทำบุญทั้งหมดให้แก่คุณอาทั้ ง, ท, งทั้งที่โดยการที่ทำที่โรงพยาบาลกับทำบุญที่วัด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 ประมาณร้อยละหนึ่งท่านเองถ้านั้นบอกท่านว่าถ้าท่านอยากจะได้ร้อยเต็มร้อยก็ให้ท่านทาตอ น, ท, น, ท, นที่ยังมีชีวิตอยู่ให้บริจาคไปเลยให้โรงพยาบาลให้วัดให้ใครไปก็ได้แล้วก็ท่านจะได้ร้อยเต็มร้อยเอาไปติดตัวได้เลยแต่ถ้าจะให้ส่งไปนี่ส่งได้แค่ร้อยละหนึ่งท่านค่ะคําถามจากคุณสุวรรณา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 หมนแล้วเลยหมดแล้วค่ะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่พี่เจนถามเพิ่มได้ไหมคะได้เพราะว่าเพื่อนเราเป็นคนขยันใส่บาททุกวันเลยเราฝากตังค์เพื่อนไปใส่บาททุกวันเนี่ยจะได้บุญหมือนที่เราไปยืนใส่บาททุกวันได้ได้เหมือนกันได้ 99, <Okay. S 1> เก้าสิบเก้าก็แล้วกันอีกอีกเปอร์เซ็นต์ให้เขาไป ในฐานะก็เป็นคนใส่ให้นะไห้ไอค็อปเประเซ็นต์ได้เก้าสิบใช่ไหมอ่ได้เก้าสิบเก้าค็อประเซ็นหนึ่งสําหรับค่าจ้างการจ้างใส่บาทถ้าเราทำเองก็จะได้เต็มร้อยเดี๋ยวก็มีเข้ามาใช่ไหมยังยังไม่มีค่ะเดี๋ยวเข้ามาเมื่อวานนี้คนที่ตกค้างอยู่มีคนบางคนบ่นว่าทางที่นั้นไม่ได้ตอบทันทีไม่ได้ฟังทันที เรื่องจังหวะไม่ดีต้งถามทีไลก็ช่วงสัญญาณหลุดพอดีสัญญาณหลุดบ้างหรือตอบไปแล้วไม่ได้ได้ฟังก็เลยบางทีบอกไม่ไม่ถามแล้วตอบไ <c oughs> <YouTube S 2> ม่ได้ u t u b e มีเข้ามาห <53. S 1> ้าสิบสามที่นี่ปานานี่จัดจัดยังไงคะน้ำปานาเลยค่ะน า, านาคือน้ำปานาเราจะมีห้องเก็บของแล้วก็ทุกวันจะมีลูกศิษย์มาประเคนของที่พระยาฉันเฉพาะวัน น้ำน้ำผ ล, ลไม้น้ําชากาแฟหรือของอะไรที่ลองประเกันก็จะประเกันแล้วช่วงบ่ายสี่โมงกว่าหลังจากพระบ่ายกว่าเสร็จแล้วท่านก็จะมาฉั้น่วมกันที่จะไม่ได้เอากลับไปฉันที่กุฏิของใครของมันอันนี้จะเป็นของส่วนกลางทั้งหมดอ๋อถ้าเงินพวกน้ําผักน้ําผลไม้กล่องอะไรพวกนี้เราปรจัดมาเป็นฝานัได้เออบางอย่างถ้ามันถือว่าเป็นอาหารก็ไม่ได้พวกผัก พ, พวกผักนี่มันถือว่าเป็น ของพวกอาหารน้ำผักนี้ฉันไม่ได้ต้องเป็นน้ําผลไม้แต่น้ําผลไม้นี้ต้องไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นมะพร้าวอย่างนี้ไม่ได้ส้มโออย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นน้ําเช่นองุ่นน้ําแอปเปิลน้ํามะม่วงน้ํำส้มอะไรเงี้ยก็ได้เกินถ้ามีน้ําตาลถ้ารับประเคนก็ฉันได้ต้องไม่เกินเจ็วันเนี่ย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 พอถ้ารับประเคตแล้วถือว่าเป็นสมบัติของพระแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมสมบัติอันรับประเคตแล้วของมางอย่างนี้พอเช้าถึงเที่ยงก็หมดอายุละอาหารอาหารข้าวหวานทั้งหลายเนี่ยพอใส่บาตรมานี่พอฉันเสร็จพอหลังเพลนนี้เก็บไว้ไม่ได้ละจะเก็บไว้ฉันพวกนี้ต่อไม่ได้ละอันนี้ต้อง ส, สละไปละส่วนของที่เก็บได้เจ็ดวันก็รับมาแล้วก็เก็บไว้ได้เจ็ดวัน เช่นน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำพึ่งอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้ารับประเคสแล้ว เ, เก็บได้7วันแต่ถ้ามันขวดใหญ่ๆอย่างงี้บางทีฉันไม่หมดฉันไปได้ครึ่งขวดที่เหลือก็ต้องสละไปไม่ให้เก็บไว้ชันต่อแล้วมีพวกที่เก็บไว้ได้ตลอดก็คือพวกอยู่ยายายาสามัญประจําบ้านอนะไรพวกนี้ยาแก้ปวดหัวแก้ปวดท้องนี่รับประเคสได้เวลาไหนก็รับประเคสได้พราะสามารถเก็บไว้ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าอาหารถ้ายาโยมเอามาถวายตอนนี้รับรับประเคนนี้ก็เก็บไว้วันนี้ไม่ได้เก็บไว้กินพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะถือว่ามันหมดอายุแล้วเฉั้นของงอย่างที่เป็นอาหารจึงบอกให้แยกกันไว้ก่อนแม้จะเป็นเครื่องกระป๋องของไม่เสียก็ตามแต่มันก็ยังเป็นอาหารอยู่น้ําผักก็ถือว่าเป็นอาหารน้ํานมต่างๆก็ถือว่าเป็นอาหารน้ํานมถั่วเหลืองน้ํานมวัวนี้มันถือว่าเป็นเป็นอาหารหมด ฉันไม่ได้รับประเคนไม่ได้รับประเคนตอนบ่ายไม่ได้ฉันตอนบ่ายไม่ได้ต้องรับประเคนตอนเช้าตอนขณะที่กำลังฉันหรือตอนใส่าบาทนี้ได้อยู่แต่ถ้ารับมาทั้งหมดก็ต้องสละทั้งหมดถ้าเหลือก็ต้องสละหมดให้เก็บไว้ไม่ได้ถ้าอยากจะให้พระเก็บไว้ก็แบ่งถวายหรือฝากลูกศิษย์ไว้แล้วลูกศิษย์จะค่อยๆทยอยถวายให้เวลาฉันทีนี้นี่คือเหตุผลว่าทาไมพระถึงรับประเคนกับมือไม่ได้ ยโยม่บางทีกลัวไม่ได้บุญถ้าไม่ได้รับกับมือก็จะไม่ได้บุญได้แต่พระจะบาปสิเพราะว่าพระจะทําผิดพระวินยัยหรือจะไม่สามารถฉันของโยมที่ถวายให้ได้เพราะโยมมาเข้ามาถวายตอนนี้เราจะให้เก็บไว้ฉันพวกนี้พอเรารับแล้วเราเก็บไว้ไม่ได้แล้วถ้าจะให้ฉันพุ่งนี้ก็ต้องวางไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกศิษย์จะมาถวายให้อย่างนี้ได้อยู่แต่จะแต่จะมาหยิบถวายจ ะ, จะหยิบฉันเองก็ไม่ได้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 ขันอะไรเงี้ยเขาก็จะทํามาให้ตอนเช้าก็จะส่งมาแล้วญาติโยมที่อยู่อยู่ที่มาอยู่วัดอยากจะทําบุญก็สะดวกไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องกา ร, รามาทากับข้าวกับปลาเ <c oughs> ขามาถึงเขาก็จับมาให้เสร็จมีข้าวมีกับมีอะไรพร้อมญาติโยมก็มาตับตกบาตใส่บาตได้เลยอะเ้เพียงแต่จ่ายเงินให้เขาไปนั่นเองคือ <c oughs> ปัดปัญหาเรื่องนงครัวไป ก็ดีญาติโยมจะได้มีเวลาภาวนานกันได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องมาเตรียมตัวตามกับข้าวกับปหาอาหารนะที่นี่มีสองส่วนส่วนข้างบนนี้กับส่วนข้างล่างส่วนข้างบนนี้จะมีประมาณสักสิ้ารูปส่วนข้างล่างตอนนี้ก็คือโดนททั้งหมดมันมี90้าสิบเนี่ยส่วนข้างล่างตอนนี้ก็มีประมาณ75ห้า ข้างบนนี่จะมีน้อยหนึ่งเพระกุฏิมันมีน้อยสองก็มันยากมันยากกว่าเพราะเขาหมดไม่มีน้ําไม่มีไฟคือต้องอาศัยน้ําฝนลองใส่แทงน้ําหรือมาใช้น้ําที่เขาบรรทุกน้ำใสามาใช้ที่ห้องส้วมนี้แล้วก็ตอนเช้ามืดก็ต้องเดินลงไปตั้งแต่ยังไม่ยังไม่สว่างก็จะลงไปบินทะบาตรให้ไปทานบินทบาต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 เรเรียกว่าเป็นทานก็เป็นทานแบบเราก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันน ะ, ะเรียกว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือกัน <_ S 1> ก็เป็นบุญอีกอย่างคือบุญมีญมการให้ข้าวของก็เรียกว่าทานการช่วยเหลือกันก็เรียกว่าบุญอีกอย่างหนึ่งบุญมีสิบประเภทการที่เราช่วยเหลือเขาแต่เราไม่ได้ให้อะไรเขาให้เขายืมอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถือว่าให้ให้เขายืมถ้าอยากจะให้เป็นทานก็ให้เขาไปเลยไม่ต้องเอาคืน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 ดีกว่าฟังทมไปแล้วทำงานไปทำผิดผิดถูกถู ก, ถกฟังแบบผิดผิด ถ, ถูกถูกไปมันก็จะได้ไม่ไม่เต็มที่แต่ไม่ไม่ห้ามถ้าจะให้เลือกระหว่างฟังทมกับฟังเพลงระหว่างทำงานไปฟังทมก็ดีกว่าฟังฟังเพลง<ฮ>คำถามจากคุณวัดการทำบุญใส่ซองกะถินผ้าป่าเมื่อพร้อมแล้วก็นาให้คนในครอบครัว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 คนที่อนุโมทนาบุญนี่จะไม่ได้ทรัพสมบัติไม่มีเงินทองติดตัวไปเพราะไม่ได้สะละทรัพสมบัติเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่รวยกว่าเก่าคนที่เสียเงินทองไปนี่แหละเวลากลับมาเกิดใหม่จะรวยกว่าเก่าเพราะเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญเงีแต่คนที่อนุโมทนาเพียงแต่แสดงความยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นก็มีความรู้สึกสุขใจไปด้วย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 เขาบอกว่าถ้าจะฉลาดให้ฉละดให้กับลูกศิษย์ที่ฉลาดถ้าลูกศิษย์โง่มันก็ไปกินเนื้อถ้าลูกศิษย์ฉลาดมันก็บอกเออของนี้หลวงพ่อกินได้นี่มายังไม่เสียเอามาปะเคนใหม่เอามาถวายใหม่แล้วลูกศิษย์ก็จะได้บุญด้วยเพราะเป็นของลูกศิษย์แล้วไงหลวงพ่อทละคําถามจากคุณทศวรรษ การพิจารณาความโลภโกรธหลงอยู่ในน้ำขันข้อไหนครับ อ, อ๋อไม่ได้อยู่ในน้ำขันล่ะโลภโกรธหลงนี่มันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจที่เราจะต้องกําจัดนามขันนี่มันไม่มีไม่มีความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าก็ยังมีน้ำขันอยู่หลังจากที่ตัดเซลูแล้วท่านก็ยังมีนามขันอยู่ท่านยังมีความคิดมีความจํามีอะไรอยู่แต่ความคิดความจําไม่ได้ไปเป็นลู ก, ลกน้องของกิเลสไม่ได้ไปรับใช้กิเลส พวกเรานี่ยังเอาความคิดกรรมจามานับใช้กิเลอยู่คิดถึงเงินก็แหมอยากจะได้โลภขึ้นมาเฮียแต่พระพุทธเจ้าคิดถึงเงินแล้วอยากจะให้ไม่มีอยากจะ <c oughs> <c oughs> คิดคิดก็รแบบกํา <c oughs> คำถามจากคุณพัชลูกสอนให้ลูกวยัวยวัยสิบขวบกับเจ็ดขวบนั่งสมาธิวันละห้านาทีหลังจากนั่งถามว่าเป็นอย่างไรลูกบอกว่าเหมือนตกหลุมแล้วตัวลอยขึ้น วันต่อมาก็เป็นเหมือนเดิมแล้วมีแสงสีขาวจึงตามไปก็ได้แนะนำตามพระอาจารย์บอกคือให้อยู่กับลมหายใจต่อไปขอพระอาจารย์แนะนำวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัยเขาด้วยค่ะคือความจริงเด็กแต่ละคนที่ก็มีมีบุญมีอะไรมาไม่เหมือนกันยนันจะไปประมาทว่าเด็กเขาไม่ควรจะนั่งก็ไม่ได้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 ต้องเห็นก็ต้องบอกเขาวาอย่าไปตามรู้ให้อยู่กับลมหายใจให้ อ, อยู่กับพุโทโธไปอะไรงนี้อันนี้ก็สอนได้แต่ต้องต้องสอนให้ถูกวิธีอบอกให้นั่งเฉยๆนั่งไว้เถอะแล้วอะไรจะเกิดก็เองก็รู้เองเเดี๋ยวมันคนบางคนมันเห็นเริ่มเดี๋ยวไปเห็นอะไรน่ากลัวมันจะกลัวไปจะไม่กล้านั่งต่อไปคําถามจากคุณบุญมาก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 เอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพุโทโธไปเลยหรือเฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลากำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้เป็นการสร้างสติขึ้นมาถ้าดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายอยู่กับพุโทโธได้เวลานั่งจะให้อยู่กับลมก็จะไม่ไปไหนมันก็จะสงบได้คำถามจาก YouTube บาปคืออะไรครับบาปคือความร้อนใจเวลาทำแล้วเกิดความรุ่มร้อนใจในี่เรียกาบาป เวลาฆ่าเวลาลักทรัพย์นี่ใจมันจะร้อนขึ้นมาใจจะไม่เย็นเวลาทำบุญแล้วใจจะเย็นบุญก็คือความเย็นใจบาปก็คือความร้อนใจร้อนมากๆก็เป็นนรกไปร้อนประมาณก็เป็นเปรตเป็นผีหรือร้อนอย่างต่ำก็มาเป็นเดระฉานเดระฉานนี่มันร้อนก่ามนุษย์นะมันอยู่นี่มันต้องหวาดกลัววิตกเดี๋ยวจะดกตัวไหนมากัดมากิน มนุษย์เราปลอดภัยกว่าก็ะเย็นกว่าถ้าเป็นเทวดายิ่งเย็ดใหญ่เป็นเทวดานี่ก็จะเย็นมีรูปทิพย์เสียงทิพย์มาคอยให้ให้ฟังให้ดูเพลิดเพลิ น, นมีความสุขเกิดจากบุญความร้อนใจก็เกิดจากบาปและเกิดจากกิเลส ด, ด้วยไม่ใช่แต่จะบาปบางทีไม่ได้ทำบาปเพีงแต่โลมันก็ร้อนขึ้นมาแล้วเพียงแต่โกรธมันก็ร้อนขึ้นมาแล้ว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 แต่ตอนนี้ลูกไม่เคยฉีดยาฆ่ า, า, มาแมลงสาบเลยเจ้าคะ่ะอ๋อบาปที่ทําไว้เป็นทําให้มนุษย์ไม่ได้หรอกอยให้มนุษย์ก็อย่าไปทํามันแล้วเดี๋ยวบาปเก่าที่เราใช้หมดมันก็หมดไปแต่อย่าไปทําบาปใหม่ทําบาปแล้วไปทําบุญมันคนเละคนละกระทงกันมันคนลเรื่องกันทําบาปแล้วไปทําบุญไม่ได้ทําให้บาปน้อยลงไปทําบาปก็บาปก็มากขึ้นทําบุญบุญก็มากขึ้นมันก็มัน คนละอย่างกันนงคนละเรื่องกันคําถามจากคุณกิติเพื่อรับซองข่าวมาจากการตรวจรับแต่เขานําเงินทั้งหมดส่งไปช่วยสถานสงเคราะห์ถือว่าบาปไหมครับให้ลูกน้องไปส่งโดยไม่ได้เปิดดูจํานวนเงินว่ามีเท่าไหร่ถ้าเราไม่รับไว้เองมันก็ไม่บาปนะแต่เราเอาไปทําบุญนี่จะเรียกว่าเป็นเงินของเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้บุญเรียกว่าเป็นบุญของใครก็ไม่รู้ เป็นบุญของใครเป็นเจ้าของเงินนั้นก็เป็นแต่ถ้าของนั้นเอาก็ไม่มีเจตนาจะทําบุญเขาก็ไม่ได้บุญเอง ก, ก็ก็อะไรไม่รู้เหมือนกันว่าในกรณีนี้ว่าจะเป็นของใครดีเราก็ไม่ได้เป็นของเจ้าของเราแต่อย่างน้อยเราไม่บาปเราก็ได้บุญจากการไม่ทําบาปคือเราไม่ไม่ไม่ยักยอกคิดว่ามันน่าจะเป็นเงินของเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของเจ้านายเรามากกว่าเพราะเจ้านายเขาจ้างเรามาทํางานใช่ไหม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 อันนี้น่าจะถือว่าเป็นของของเจ้าของธุรกิจที่เราทําอยู่ถ้าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราเขาให้เงินพิเศษมานี่นอกจากว่าจ้างทางทางเจ้าของเขาอนุญาตบอว่าถ้าถ้าเขาให้มาแล้วคุณเก็บไว้ได้เป็นของคุณอันนี้ก็เป็นของเราไปเช่นไปทํางานตามร้านอาหารนี่เขาอาจจะมีทิปอย่างเงี้ยถ้ามีทิปแล้วเจ้าของก็บอกว่าเจ้าของร้านก็บอกเออทิปนี้เป็นของคุณนะคุณเอาไปอย่างนี้ก็จะเป็นของเขา แต่ท่าก็ไม่ได้บอกนี่ยติปนี่มันก็ต้องเป็นของบริษัทไปเป็นของเจ้าของบริษัทไปอีกสามคำถามเอาเลยอคำถามจากคุณเก๋หลานของดิฉันตอนนี้อยู่มสองมีความคิดในแง่ลบทําให้ตัวเองแย่และเครียดในเรื่องการเรียนและเพื่อนต้องทําอย่างไรดีคะก็ <c oughs> <s> <c oughs> ให้เขาคิดในทางที่ดีสิก็ให้เขาคิดว่าเรียนดีกับเที่ยวเอเยที่ยวแล้วเดี๋ยวเรียนไม่เจบ เดนไม่จบเวลาไปหางานนี่จะไม่มีวุฒิเขาก็จะไม่จ้างหรือถ้าจ้างก็จะให้งานไม่ดีให้ไปเป็นพาร์ลงอย่างนี้แต่ถ้ามีวุฒิมีปริญญาก็อาจจะไม้ให้ไปเป็นหัวหน้าอะไรก็สอนเขาให้คิดไปในทางที่ดีคิดถึงองนาคตของเขาที่จะตามมาต่อไปคําถามเจ้าคุณบุรภาผ้าม่านอยากฝึกลูกชายนั่งสมาธิเจ้าค่ะอายุแปดขวบทําอย่างไรดีคะฝึกตัวเองก่อนเดิน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 เงินที่แม่ให้ลูกมาแล้วลูกเอาไปทําบุญแล้วลูกก็เอามาแบ่งให้แม่ได้ไงเงินที่ลูกให้แม่มาแล้วเอาไปทําบุญให้ลูกแล้วแบ่งบุญให้ลูกๆจะได้ไหมคะคือแม่เอาเงินที่ลูกให้ไปทําบุญก็เป็นของแม่ทั้งหมดลูกก็ได้บุญอยู่แล้วไงได้บุญจากการที่เอาเงินให้แม่ไงแล้วลูกคนไหนไม่ได้ให้ลูกคนนั้นก็ไม่ได้ได้แต่คนที่ให้เงินแม่ค่ะ แล้วแม่เอาเงินนี้ไปทำบุญเงินเงินท bueno. ี่ไปทำบุญนี so ้ก็เป็นของแม่หมดไม่ได้เป็นของลูกแต่ลูกก็ได้แล้วได้บุญตรงที่ว่าให้เงินแม่ไปการให้เงินแม่ก็เป็นการทำบุญแล้วการที่แม่เอาเงินไปให้พระก็เป็นการทำบุญอีกต่อนึงคนที่ให้คนนั้นก็จะได้คนที่ไม่ให้นี้ไม่ได้ถึงแม้จะมาแบ่งให้ก็แบ่งไม่ได้จะนเอามาแบ่งให้ลูกๆคนอื่นที่ไม่ได้ให้เงินแม่ไปเขาก็ไม่ได้บุญ เราอยากจะได้บุญก็มีสองทางให้กับแม่ไปหรือไปทำบุญเองถึงจะได้บุญหมดแใช่ไหมขอคำถามสุดท้ายะะคะสุดท้ายาารถ้าสมมติว่าเร า, าทาสม่ำเสมอถึงสิห้าทุกวันสิแปดวันพ<ม>ักแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทุกคืนนสมาธิคืนละสักสาสิบนาทีเราจะพอปิดอบายได้ไหรือยังได้ถ้ามันเพียงแต่รักษาสิ่้าด้นก็ปิดได้แลอะ ถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปถึงชั้นผอมแต่จะพรมเดียวเดียวถ้าสามสิบนาทีก็ผอมสามสิบนาทีเพราะขึ้นไปปั๊บก็ร่วงลงมาถ้าอยากจะอยู่นานๆก็ต้องนั่งสมาธิเยอะๆออแต่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปมันก็จะเหมือนกับจุดไฟจุดไฟป่า เ, เวลาเริ่มต้นก็จุดแค่ไม่ขีดอันเดียวใช่ไหม จุ ด, จดตรงกองใบไม้ที่เราจุดนะเดี๋ยวมันก็เริ่มนุกนะเดี๋ยวมันก็ขยายไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบเนี้ยมันก็จะเริ่มจากเล็กไปหาน้อยเดี๋ยวต่อไปก็ไปบวชได้เดี๋ยวต่อไปก็ปฏิบัติได้เดี๋ยวก็บรรลุ ถ, ถึงนิพพานได้ถ้าปฏิบัติไปไม่หยุดนะถ้าไฟดับเมื่อไหร่ก็จบเมื่อ น, นั้นนะถ้าหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ไปไม่ถึงเมื่อ น, นั้นเอาล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา